คือคนก่อนาเป็นเนี่ยเยอะมากเลยก็ต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งพอานาเป็นแล้วก็ต้องภาวนาเรื่อยไปสะสมบรารมีสติสมาธิปัญญาอะไรค่อยๆแก่กล้าอยู่ๆไม่แก่กล้าต้องใช้เวลาเหมือนกันนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินะโอกาสจะเกิดมรรเกิดผลถึงจะมี สติยังไม่อัตโนมัติไม่มีทางสมาธิยังต้องคอยรักษาอยู่ไม่ได้เรื่องหรอกปัญญาไม่อัตโนมัติยังต้องคอยคิดพิจารณาอยู่ก็ใช้ไม่ได้ไต้องฝึกสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติหรือไม่เจตนาจะให้มีสติก็มีมีสติเห็นมาไม่เจตนาจะทําสมาธิจิตที่ยวตั้งมัน่น ไม่ได้เจตนาจะเห็นไตรลักษณ์ก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจของธาตุของขันธ์แนตะ่ถ้าฝึกจนมันหมดเจตนาไดนะ้สติสมาธิปัญญาเกิดแต่ว่าไม่ได้เจตนาให้เกิดสติสมาธิปัญญานั้นจะเป็นพลังที่แก่กล้าในะอภิธรรมสอนเอาไว้ว่าจิตที่เป็นกุศลนนะั้นมีสองพวกนะอันหนึ่งต้องชักนําให้เกิด อันนี้มีกำลังอ่อนงานหนึ่งเกิดเองอัตโนมัติขึ้นมามีกำลังแกกล้าสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลจะต้องแกกล้าถึงขนาดอัตโนมัตินะแก่กล้าถึงจะมีกำลังล้างกิเลสได้ในการจะฝึกอะไรจนมันเป็นอัตโนมัตินี่ต้องทำแล้วทำอีกเหมือ น, นเราหัดขับรถนะหัดขับรถใหม่ๆต้องคิดนะจะ เหยียบใช้เท้าไหนนะเดี๋ยวนี้ยังดีนะมีคนขาดเดียวก็ขี่ได้นะสมัยก่อนต้องคิดนะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอัดใหม่ๆยุ่งมากเลยเหยียบคันเร่งกับเบรกพร้อมๆกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะยุ่งแต่พอมันอัตโนมัติแนละ้วไม่ต้องคิดเลยไปได้เรื่อยๆเลยขี่จักรยานนะใครขี่จักรยานเป็นมีไหมไม่เป็นจะไปอยู่เมืองจีดซะ เดี๋ยวก็เป็นขี่ใหม่ๆล้มลูกลุ ก, กลานต้องคอยคิดคอยระวังขี่เป็นแล้วเพลินเลยนะชมนกชมไม้หม า, หมาแอบมากัดยังไม่รู้เลยสบายใจต้องฝึกมากจนมานอัตโนมัติไม่มีของฟรีทำมากก็ไม่มีของฟรีมีแต่ต้องลงทุนลงแรงทําเอาทั้งนั้นเลยถ้าทามากพอจนมันอัตโนมัตินะ โอกาสจะได้มรรคผลมันก็เกิดขึ้นเพราะเป็นกุศลที่มีกําลังแรงกล้าจิตที่เป็นกุศลนะมันมีที่เรียกว่าสัสังขาริกังต้องน้มน้าวให้เกิดชักจูงให้เกิดอ า, อาสังขาริกังไม่ต้องน้มน้าวชักจูงก็เกิดเองจิตที่ไม่ต้องน้มน้าวแล้วเกิดเองเนี้มีแรงจิตชั่วก็เหมือนกันนะจิตชั่ว ที่เกิดอัตโนมัติเนี่ยเป็นชั่วที่มีกำลังแรงกล้าถ้าต้องโน้มน้าวตั้งนานถึงจะชั่วขึ้นมาเนี่ยมีกำลังอ่อนอย่างบางคนนะคนมองหน้านก็โกรธแล้วไปชกเขาละนี่อากุศลมีกำลังแรงกล้าถ้าอากุศลอ่อนถูกเขาด่าอยู่หลายชั่วโมงแล้วค่อยโกรธค่อยชกทีนึ่งอะไรเงี้ยนีอกุศลอ่อนกุศลก็เหมือนกันกุศลอัตโนมัติไม่มีแรง ถึงจะล้างกิเลสได้เราต้องฝึกให้อัตโนมัตินะตรงจิตไม่ได้เจตนาให้เกิดนีจิตจะข้ามภพข้ามชาติได้มีเจตนาอยู่เรียกโลภะเจตนาหรือเป็นเจตนาทางใจของเรามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเป็นอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยชนิดหนึ่งนะที่ทําให้จิตกระทำกรรม เพราะจิตจะสร้างภพสร้างชัติไม่เลิกเลยการกระทํากรรมของจิตนั่นแนหะคือการสร้างภพนี่ว่ากรรมภพนั่นต้องฝึกให้อัตโนมัติฝึกบ่อยๆแล้วมันจะอัตโนมัติเองวิธีฝึกให้สติอัตโนมัติก็ต้องรู้ก่อนสติหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้จักสติจะไปฝึกให้อัตโนมัติมันก็เป็นไปไม่ได้สติมีหลายระดับสติที่จิตเป็นกุศลนะทั่วๆไปนี่ เรียกสาธารณกุศลอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากฟังธรรมอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธิอะไรอาศัยสมีสติทั้งหมดอะแต่สติที่จะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้เรียกสติปัฏฐานเป็นสติรู้กายสติรู้ใจถ้าสติรู้อย่างอื่นแล้วก็ยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้เป็นสติซึ่งคุณภาพต่ําสตินั้นต้องเป็นสติรู้กายรู้ใจนั่สติปัฏฐาน มันจะอัตโ น, นมัติได้ก็ต้องคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้สึรกร่างกายเรื่อยๆต่อไปมันก็ไม่ได้เจตนารู้สึกมันก็รู้สึกได้เองมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกเรื่อยๆไปมีความสุขเกิดขึ้นรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกนีพอรู้สึกบ่อยๆรู้สึกประจำนะต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้สึกพอความสุขผุดขึ้นมาสติก็ระลึกได้เลยว่าตอนนี้มีความสุขละ ความทุกข์ผุดขึ้นมาสติก็ระลึกได้ว่าตอนนี้มีความทุกข์ละหรือหัดดูจิตดูใจนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดขึ้นมาคอยรู้บ่อยๆรู้จนเป็นเคยชินที่จะรู้ตาไปไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้นี่ยอาศัยการที่รู้บ่อยๆนะแล้วมันก็จะมีสติขึ้นมาเองในอภิธรรมในตำราถึงสอนบอกว่าทีลสัญญาคือการที่ จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแล้ว evet. เรามีสติคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเหยียใจลอยร่างกายยืนเะดินนั่งนอนคอยรู้สึกเหยียใจลอยนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกเหย่าใจลอยไปนะความสุขความทุกข์เฉยๆความเฉยๆด้วยเกิดขึ้นในจิตใจนะเราก็คอยรู้สึกเอา ไม่ใจรลอยจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้หรือมาดูต่อไปอีกจิตใจมีความโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้ไม่เคยรู้ทันไปได้จิตมีสมาธิก็รู้จิตไม่มีสมาธิก็รู้จิตแคบก็รู้จิตกว้างก็รู้ะ จิตบทีกว้างกว้งบางทีก็แคบแคบเล็กๆบางทีกว้างกวางใหญ่โตก็คอยรู้เอาจิตกว้างกว้างเรียกมหาคคตะจิตกว้างกว้งใหญ่โตเรียกเราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเรื่อยต่อไปไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เองอันนี้ในตำราสอนไว้นะในทางปฏิบัติจริงก็เป็นอย่างนั้นแนหะถ้าเราคอยใส่ใจคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่ยบอยๆ แต่ไปมก็รู้ไ <Jub> ด <ilee> ้โดยไม่ต้องจงใจรู้สึกไหมวิธีการมันง่ายๆไม่ยากเลยแต่ต้องอดทนหน่อยกว่าจิตจะเคยชินที่จะรู้สึกก็ต้องใช้เวลาเพราะปกติจิตของเราเคยชินที่จะไม่รู้สึกอย่างร่างกายหายใจออกเรารู้สึกไหมวันหนึ่งเราหายใจออกกี่ครั้งเรารู้สึกได้กี่ครั้งว่าร่างกายหายใจออกรู้สึกได้น้อยมากเลยร่างกายหายใจเข้าวันหนึ่งกี่ครั้งน่ะเรารู้สึกไหมเราไม่ค่อยรู้สึก ร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนทั้งวันใช่ไหมใครรู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจะรู้สึกได้สักเท่าไหร่เวลาที่หลงนะมีมากกว่าเวลาที่รู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอีกเราไม่ค่อยได้รู้สึกหรอกสติเราไม่มีหรอกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายตลอดเวลาความสุขความทุกข์ความเฉยเยเกิดขึ้นในจิตใ จ, จตลอดเวลาเราเคยรู้สึกไหมวันหนึ่งเคยรู้สึกสักเท่าไหร่กับเวลาหลงเท่าไหร่ หลงเยอะนะรู้สึกน้อยเพราะงนจิตจะเคยชินที่จะหลงจิตไม่เคยชินที่จะรู้สึกเพราะงั้นต้องฝึกหัดรู้สึกให้มากจนมันเคยชินที่จะรู้สึกขึ้นมาธรรมชาติของจิตจิตเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่จิตมีธรรมชาติน้นไหลไปตามความเคยชินมันเป็นไปตามที่มันเคยชินจิตของเราเคยชินที่จะหลงมันก็หลงตลอดนั่นแหละ เราต้องมาสร้างความเคยชินใหม่เคยชินที่จะคอยรู้สึกตัวนะคนไทยไปแปลคำว่าสัมมชัญญะว่ารู้สึกตัวนะจริงปแปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัมมาชัญญะเป็นเรื่องของปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันถึงความมีอยู่ของกายของใจนะถ้าเมื่อไหร่ใจลอยไปขาดสตินะมันมีกายก็ลืมมีใจก็ลืมนี่ไม่ใช่ขาดสัมมชัญญะอย่างเดียวขาดสตินะสติเป็นตัวรู้ทัน มีอะไรเกิดขึ้นในกายก็อยรู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้รนะ่างกายมีอยู่ก็รู้จิตใจมีอยู่ก็รู้นะหายไปก็รูนะ้หัดรู้บ่อยๆ อ, อยู่ๆไปสั่งให้มันรู้บ่อยๆมันไม่รู้หรอกจิตเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ต้องฝึกวิธีฝึกนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนคนไหนถนัดรู้กายก็รู้กายไ ป, ไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเรืย ทีแรกก็ตั้งใจรู้สึกไปก่อนรู้สึกจนวันหนึ่งมันอัตโนมัติรู้สึกได้โดยอัตโนมัติร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไม่ใช่ว่าร่างกายหายใจออกก็ไปเพ่งลมหายใจร่างกายหายใจเข้าไปเพ่งลมหายใจนะนี่นอกเรื่องนอกราวเลยไปเพ่งลมหายใจก็ได้แต่ความสงบไปเฉยๆเพ่งแรงไปเพ่งไม่สบายก็อึดอัดเสเยอีเราไม่ได้ไปเพ่งเราแค่คอยรู้สึก เห็นร่างกายมันหายใจคอยรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกถ้าถนัดดู ก, กายก็ดูอย่างนี้ถนัดดูกายแล้วก็ดูได้ละเอียดขึ้นไปอีกที่จะเห็นมีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกส่วนใหญ่จะเห็นสุขหรือเห็นทุกข์ในร่างกายเห็นอะไรระหว่างสุขกับทุกข์อะไรดูง่ายกว่ากันทุกข์ดูง่ายใช่ไหย สบายอยู่ทั้งตัวไม่ค่อยดูใช่ไหมยุงกัดคันที่เดียวดูแต่ตรงที่คันอ่ะความจริงไม่ดูที่คันด้วยแต่จะดูยุงนะดูออกนอกอีกแขนมันคันไม่สนใจเรานั้นต้องดูยุงก่อนนะักฆาตกรรมมันได้แล้วก็ค่อยมาดูมีตุ่มหนึ่งอันอนะนรเนี้ยกัดไปแล้วปกติเราไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกในกายในใจยิ่งสบายมีความสุขนะี่ยิ่งไม่ดูเลย ทางจิตใจก็เหมือนกันช่วงไหนมีความสุขก็ขี้เกียจภาวนาช่วงไหนมีความทุกข์ก็ขยันหน่อยรู้สึกหมใครเป็นอย่างนี้บ้างยกด้วยเมื่อก่อนก็เป็นช่วงไหนสบายก็เพลินเพลินหน่อยช่วงไหนมีความทุกข์ขึ้นมาก็ขยันดูหน่อยร่างกายก็เหมือนกันร่างกายตัวไหนสบายไม่ดูมันหรอกตรงไหนทุกข์ขึ้นมาถึงจะดูมันเพราะความทุกข์นี่มันฉูดฉาดมันเด่นมันเตะตา นี่เราเคยรู้สึกถ้ารู้สึกถึงสุขทุกข์ในร่างกายไม่ได้ก็ดูแค่ตัวร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกรู้สึกไปต่อไปถ้ามีความทุกข์เกิดในร่างกายก็รู้สึกความทุกข์ในร่างกายหายไปก็รู้สึกนะดูความสุขความเฉยเฉยดูยากขึ้นไปอีกมันไม่อยากดูไม่มีอะไรให้สนใจคนไหนไม่ถ น, นัดดูกายไม่ชอบดูกายดูกายแล้วรำคาญ รู้สึกเบื่อคับแคบนะดูแล้วไม่ฉลาดก็มาดูจิตดูใจจะดูจิตไม่ใช่ว่าจะฉลาดกว่าดูกายนะไม่ใช่ฉลาดกว่าดูกายพระนนดูกายนะพระนนไม่ธรรมดาเลยพวกเราเทียบท่านไม่ได้เลยถ้าดูกายไม่ได้ก็ดูจิตนะ จิตใจมีความสุขก็คอยรู้จิตใจมีความทุกข์ก็ค่อยรู้จิตใจเฉยๆก็คอยรู้ดูแค่นี้ก็ได้หรือคนไหนขี้โกรธนะก็คอยดูจิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้คนไหนขี้โลภก็คอยดูไปจิตโลภก็รู้นะจิตไม่โลภก็รู้คนไหนฟุ้งซ่านก็คอยรู้ไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้ทําไมฟุ้งซ่านไม่ไปคู่กับไม่ฟุ้งซ่านพอฟุ้งมากๆนั่นมันจะซึมฟุ้งมากๆมันจะเบี่ยงกลับข้างไปหดหู กิเลสนั้นมันจะเวียงนะเบียงซ้ายเวี่ยงขวาเหมือนกันนะช่วงไหนราคาแรงนะอีกช่วงหนึ่งโทสะะแรงไปสังเกตดูถ้าโทษะแรงนะต่อไปบานทีราคาก็แดงอีกเบียงถ้าช่วงไหนฟุ้งซ่านอีช่วงนึ่งก็จะซึมนะที่จิตมันจะเวียงเวี่ยงเวี่ยงเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเคยเห็นนาฬิกาโบราณไหมมีลูกตุ้มเบี่ยงซ้ายเบียงขวาจิตก็จะเวี่ยงแบบนั้นนี่เราค่อยรู้ทันนะรู้ไป จิตมีราค้าก็รู้จิตไม่มีราค้าก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้พยายามดูไว้ดูหลักๆตัวไหนเด่นเอาตัวนั้นคนไหนขี้โลภก็ดูเลยจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตโมโหจิตเดี๋ยวก็โมโหจิตเดี๋ยวก็ไม่โมโหการดูบ่อยๆนะต่อไปมันจะชินที่จะดูไม่เจตนาจะดูมันก็รู้ได้ ตรงที่ไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้ได้อันนี้แหละสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วต้องฝึกนะทุกวันพยายามทําในรูปแบบที่หลวงพ่อบอกว่าให้ทําในรูปแบบรูปแบบนะทำในรูปแบบก็คือทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งเห็นเช่นเห็นร่างกายหายใจรู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะเห็นร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแบบนะี้ เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้เห็นความสุขความทุกข์หายไปก็รู้นะเห็นจิตมันโอบจิตมันไม่ลอบจิตมันโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุง้งซ่านจิตหด ห, ดหดูห่ก็รู้หัดรู้บ่อยๆทํากรรมฐานเอาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ชีโมโหก็ดูจิตโมโหไปนะจิตทั้งวันมีอยู่2ชนิดเองจิตโมโหกับจิตไม่โมโหจิตโมโหก็รู้จิตไม่โมโหก็รู้นะฝึกไปได้ต่อไปไม่เจตนานจะรู้จะรู้ได้เองนะ หลวงพ่อเห็นมาด้วยตัวเองเลยตัวเนี้ยที่เอามาพูดพูดนะไม่ใช่ว่าไปกลางตำราพูดนะพูดมาก่อนที่จะไปอ่านตำรา <c oughs> เคยเข้าไปหาหลวงพระเทียนที่วัดสนามในท่านมีชื่อเสียงอยากจะเห็นท่านอยากจะเห็นท่านตอนนั้นเรียนจากหลวงปู ด, ดูลนะเข้าใจหลวงปู่ดูลบอกเข้าใจช่วยตัวเองได้แล้วพอท่านบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อก็ออกไปศึกษาเพิ่มเติมอนนี้ เห็นไม่ว่าต่างกับพวกเราพวกเรายังไม่ทันจะเข้าใจเลยก็ศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาเลยวิชาหลักเลยไม่ได้นะรู้แต่อะไรสเปสภาามั่วซั่วไปหมดเลยเข้าวัดโน้นออกวัดนี้เข้าสํานักนั้นสํานักนี้รวมแล้วไม่ได้อะไรเลยมั่วหลวงพอนอนาเป็นแล้วนะเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนเข้าไปเห็นท่านท่านสอนขยับมืออยู่เห็นนะท่านกําลังสอนอยู่เลยไม่ได้เข้าไปคุยกับท่าน ก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ไปนั่งลองขยับดูบ้างทีแรกก็ต้องนึกนะท่าไหนท่าไหนนึกไปนึกมาราคาญต้องนึกมากลาคาญเอานิดเดียวแค่นิ่งเหลือแค่นี้ย10กว่าจังหวะของท่านเหลือแค่นิ่งขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกเล่นฝึกอยู่อย่างนี้นะไม่ไม่นานอะ่ะวันสองวัน เห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจจะไปทักมันก้าวขานะขยับเท้าไปฟุ๊บพอเท้าเคลื่อนท่านสติเกิดเลยกำลังหลงนะเจอเพื่อนแล้วดีใจไม่รู้ว่าดีใจกำลังหลงอยู่นะพอเท้าขยับท่า น, นเราเคยขยับมือแล้วรู้สึกพอเท้าขยับนะมันก็รู้สึกขึ้นมาแม้สติเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดเลย เกิดจากจิตมันจําสภาวะได้แล้วมันคุ้นเคยที่จะรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกเนี่ยใช้หลักอันนี้หลักอันเดียวกันนี้นะมาบวชแล้วมาภาวนาแล้วนะไปอ่านตำราอภิธรรมถึงเจอว่า เ, เขาก็สอนนะงั้นถ้าเมื่อไร่นะเราหัดรู้สึกบ่อยๆวันหนึ่งเราจะรู้สึกได้อัตโนมัติเนี่สยสติอัตโนมัติจะเกิดแล้วทาไงสมาธิอัตโนมัติจะเกิดสมาธิอัตโนมัติเนี่ย ง่ายที่สุดเลยนะอาศัยสติของเรานี่นะเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปคือจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยตรงข้ามกับจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตที่เคลื่อนไปเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านนะงั้นถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติงั้นถ้าเราอยากได้สมาธินะ ได้จิตที่ตั้งมั่นสมาธิที่ถูกต้องแท้จริงเนี่ยอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนี่เป็นเคล็ดลับนะเป็นยอดวิชาเลยนะให้รู้ทันไหมเวลาจิตเราหนีไปคิดเคยรู้จิตเคลื่อนไปเนี่ยจะเคลื่อนได้หกช่องเคลื่อนไปดูนะทางตาเคลื่อนไปฟังทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเคลื่อนทางใจหรือเคลื่อนไปคิดเนี่ยมีมากที่สุดเคลื่อนไปปฏิบัติธรรมมีน้อยส่วนมากเคลื่อนฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆ มันมีทั้งหช่องดูยากเอามันช่องเดียวนี่หละเคลื่อนทางใจนี่เคลื่อนบ่อยที่สุดนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนทางใจและจิตที่เคลื่อนทางใจที่บ่อยที่สุดก็คือเคลื่อนไปคิดนอนอยู่ก็คิดใช่ตื่นนอนมาก็คิดนะอยู่กลางวันก็คิดกนะ่อนจะนอนก็คิดหลับไปกก็ฝันอีกก็คิดอีกนะงั้นจิตของเราเนี่ยชินที่จะคิดนะ จิตมันจะเคลื่อนไปคิดเวลาคิดไมได่คิดเฉยๆไม่ใช่พระอราหารนันต์พระอราหันต์คิดสักเป็นสักแต่ว่าคิดนะเป็นกริยาจิตไม่เคลื่อนเลยในขณะที่พวกเราพอคิดเนี่ยจิตต้องเคลื่อนเข้าไปเราถึงจะรู้เรื่องที่คิดสังเกตไหมไม่ต้องเคลื่อนเข้าไปจับความคิดถ้าเมื่อไร่มีสติรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมันอัตโนมัต น, นี้เป็นกดเลยนะนี่เป็นกดเลยงั้นเราใครรู้ทันอาศัยสติ นะรู้ทันจิตที่เคลื่อนเพราะฉั้นตรงที่เราจะฝึกสติกับฝึกสมาธิเนี่ยมันมีวิธีที่รวบทั้งสองอันนี้มาฝึกพร้อมๆกันได้ก็คือคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเลยต่อไปพอจิตเคลื่อนก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้สติมก็เกิดก็รู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วพอจิตเคลื่อนก็รู้ด้วยจิต้อตั้งมัน่นได้สมาธิด้วยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยถ้ามีสติมีสมาธิควบกันอยู่นะ ปัญญาจะเกิดถ้าปัญญาจะเกิดนะต่อไปปัญญาจะเกิดอันตโนมัติขึ้นมาได้งั้นเราต้องคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้วิธีฝึกต้องมีวิธีต้องทำในรูปแบบหัดกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้เหมือนเดิที่เคยฝึกให้มีสตินะแต่อันนี้ไม่ได้ฝึกให้มีสติแนละ้วนีฝึกให้มีสมาธิ เช่นพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันหรือหายใจไปจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันที่จิตหมือนเคลื่อนให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิเพราะความตั้งมั่นก็คือไม่เคลื่อนตรงข้ามกว่ความเคลื่อนตั้งมั่นขึ้นมาเพราะนต้องฝึกนะทําในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งถนัดกรรมฐานอะไรเอากรรมฐานนั้นอ่ะแล้วคอยรู้ทันจิต ไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วก็ไปเพ่งอยู่ในกรรมฐานนั้นเดียวรู้ลมหายใจแล้วเพ่งลมหายใจนั้นเป็นสมถะเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าจะมาฝึกให้ได้สมาธิที่วิเศษเลยสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาทํากรรมฐานอย่างหนึ่งมาแล้วค่อยรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอ น, นั้นก็รู้อย่างดูท้องพองยบนะจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้ฝึกอย่างนี้ไเรื่อย ถ้าไปไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะพออะไรเกิดขึ้นสติก็รู้พอจิตเคลื่อนสติก็รู้อีกจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติเลยฆรวาสก็ทําได้หลวงพ่อทํามาตั้งแต่เป็นฆรวาสเรื่องจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ศิมหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อหลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ทําไมเป็นผู้รู้ ผู้รู้คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือผู้ที่มีจิตมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั่นเองดังั้นเราต้องฝึกนะฝึกคาวาะก็ทาได้แตครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านรู้ชื่อไม่ได้บอกท่านนะจย์บุญจันทั้มผาพึ่งอาศจันย์ น, ะนหลวพ่ออยู่สวนโพนะอยู่ได้สองปีกว่าๆมีลูกศิษย์ท่านมาหาบอกว่าจาันบุญจันสั่งไว้ว่า เดือนนี้ปีนี้ให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้ที่นี้ที่นี้นะตอนท่านท่านสั่งอะไรยังไม่ได้บวชเลยอันนั้นเป็นความประหลาดของท่านหนะลวงปู่ศินไม่รู้ชื่อท่านเรียกเป็นฉายาว่าผู้รู้นะงั้นพวกเราฝึกนะต่อไปนี้เราคอยฝึกเราไม่ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปเปล่าๆนะเรามาฝึกให้มีสติ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอรู้สึกไว้โดยเฉพาะถ้าจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปคอยรู้ทันนะถ้าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เนี่ยจะได้สมาธิด้วยได้สติด้วยแต่ระวังอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งจิตต้องไหลนะห้ามนิ่งบางคนไปรักษาจิตนั้นนิ่งเนี่ยแล้ไปรักษาไปอย่างนี้นะทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เดินปัญญา มันจะไม่เดินปัญญามจะทื่อๆนิ่งๆอยู่เงี้ยบางคนก็ทําใจกว้างๆให้สบายงั้นเราพยายามฝึกนะฝึกจิตหนีไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้ฝึกตัวนี้ให้มากเลยถ้าจิตเคลื่อนไปก็รู้จิตเคลื่อนไปก็รู้นะเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพียงก็รู้รู้ทันบ่อยๆนะบางคนจะบอกจะรู้ได้ไงมันไม่เห็นมีวิธีฝึกนะ ส่งจิตของเรานี่ยนะจงใจเลยส่งจิตของเราไปไว้ในร่างกายส่วนต่างๆส่งจิตไปไว้ที่ผมลองนึกถึงผมของเราเองสิให้ลืมส่วนต่างๆของร่างกายเลยให้นึกถึงผมอย่างเดียวเป็นทุกคนแหละเกือบทุกคนยกเว้นพวกที่ช่างคิดคิดตอบให้ส่งยังไงวะส่งยังไงวะส่วนใหญ่มันก็ส่งเอากลับมาได้ละเดี๋ยวจะเคยชินถ้าจิตส่งไปที่ผมนะเราจงใจส่ง่ะส่งระลึกไปที่ผม พอจิตไประลึกอยู่ที่ผมเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ผมเราเปลี่ยนที่ลงมาไว้ที่หูว่างหูข้างซ้ายย้ายมาหูขวาอาไว้ย้ายมาจมูกย้ายมาที่นิ้วมือนิ้วเท้าที่แขนที่ขาที่ตัวเนี่ยย้ายขึ้นย้ายลงไปเรื่อยย้ายความรู้สึกไปเรื่อยจิตเป็นตัวความรู้สึกนั่นแหละอย่าไปนึกว่าจิตเป็นตัวอะไรประหลาดประหลาดเป็นดวงดวงเลยนะจิตเป็นตัวความรู้สึกคําว่าดวงดวงนั้นเขาเรียกอะไรเป็นตัวนับอ อย่างมะพระ้าวเราเรียกว่าเป็นลูกใช่ไหมจิตเราเรียกว่าเป็นดวงจิตไม่ได้เป็นดวงหรอกจิตไม่มีรูปร่างมันจะเป็นดวงได้ไงจิตมันเป็นเป็นนามเป็นอรูปไม่มีรูปร่างไม่เป็นดวงหรอกแต่ว่าเขาเรียกลักษณะนามาอ่ะภาษาไทยเรียกในเรียกว่าจิตน่เรียกเป็นดวงดวงจะเรียกเป็นตัวตัวก็ได้ แต่เนี่ยจิตตัวนี้เกิดจิตตัวนี้ดับผู้เรียกก็ได้นะแต่ว่าเขานิยมเรียกจิตเป็นดวงดวงเราก็เลยไปวาดภาพว่าจิตเป็นดวงดวงนั่นมันผีกระสือแล้วเป็นดวงดวงแล้วลอยไปลอยมานะไม่ใช่จิตหรอกจิตไม่ได้เป็นดวงแต่เราเรียกมันแต่ละอันว่าเป็นดวงดวงเหมือนเราเรียกช้างช้างถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวถ้าช้างมีเจ้าของเลี้ยงไว้เขาเรียกว่าเชือก มีช้างสิบเชือกก็คือมีเชือกผูกช้างไว้สิบตัวนคะวายเรียกอะไรควายเรียกว่าตัวใช่ไหมคนนะ <c oughs> เรียกว่าคนสินะพระเรียกว่าอะไรองเรียกรูปได้เรียกองอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียก่ยเพราะฉะนั้นจิตว่าเท่านี้ดวงเท่านี้ดวงเป็นคําเรียกของมันนจิตไม่มีรูปร่างอะไรหรอก หัดรู้ไปเนะรื่อยนะรู้เฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยจิตไหลไปแล้วรู้จิตวิ่งไปอยู่ที่ตาวิ่งไปทางไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปริมร ด, ดไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจนะก็รู้หัดรู้ไปเบื้องตอน้นถ้าถ้าดูไม่เป็นนะว่ามันวิ่งไปทางตาหูจมูกเลี้ยงแก่ใจก็พามันวิ่งอยู่ในร่างกายเนี่แหละจนกระทั่งอะตอนนี้จิตมาอยู่ที่หูนี่ละจิตมานี่ ล, ละเรากําหนดไปเรืยนะจิตเป็นตัวความรู้สึก แล้วรู้สึกตอนนี้ไปรู้สึกอยู่ที่จมูกรู้สึกเนี่ยจิตอยู่ที่จมูกแล้วหัดรู้สึกเรื่อยๆต่อไปจิตมันเคลื่อนปุ๊บมันจะเห็นเองจิตเคลื่อนปุ๊บเห็นเองสมาธิจะเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วจะเห็นว่าเอ้ยร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายนะร่างกายไม่ใช่จิตหรอกผมขนเล็บฟันหนังเน้อเอ็กระดูกที่จิตเคลื่อนไปเคลื่อนมานะไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปอาศัยอยู่ะป็นจิตที่สิส่งที่จิตไปรู้เข้านะ ไี่หัดรู้ไปได้วยต่อไปก็จะเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วจิตล่ะจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตอีกดวงหนึ่งไปรู้เข้าจิตเองก็เกิดดับเกิดดับนะถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับเห็นไหมเกิดดับ จิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกเกิดแล้วหัดดูบ่อยๆนะจนวันหนึ่งสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะเห็นว่ามันเกิดดับเลยมันเห็นเองอ่ะมันรู้สึกอยู่ตลอดเลยร่างกายหรือไม่เห็นไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมันรู้สึกเองไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเลยว่าความสุขความทุกข์หรือความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเรามันรู้สึกได้เองเนี่ยปัญญาอัตโนมัติจะเกิดนมันจะเห็นไตรลักษณ์โดยไม่ได้เจตนาคิดเลย ถ้าฝึกได้อย่างนี้นะโอกาสจะได้มากผลในชีวิตนี้ก็เกิดแล้วล่วนะไม่ยากเกินไปฟังแล้วเหมือนต้องฝึกมากมายนะแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยบางคนฝึกเจ็ดวันหนึ่งบางคนเจ็ดเดือนเจ็ดนปะีไม่ได้ฝึกอะไรยาว น, านั้นนักหน า, าต่อไปไปกินข้าวนะไปกินข้าวแล้วก็คอยดูจิตโลภเกิดให้รู้จิตโกรธเกิดก็ให้รู้นะไปดูนะนิมนต์นะครับนิมนต์